สิงธรรมะมันก็ไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตัวของเราทุกคนแต่คามฉลาดที่จะหาธรรมะมาประดับกายว า, าจาใจของตัวนั้น <c oughs> มันไม่ค่อยจะมีด้วยน่าคิดวงกล่มไปตั้งแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยได้สนใจว่าธรรมะมีคุณค่าอย่างไรสำหรับตัวของตัว ถึงธรรมะจะมีอยู่ในตัวตัวจริงกแกเราเนี่ยเดี๋นใจนำธรรมะมาใช้ธรามากัวเลยไปเกิดประโยชน์ให้นี่แต่กิเลสคนคูดูตลอดเวลาออกมาทางกายออกมาทางวาจาออกมาทางใจออาางเป็นไปัแต่ทางกิเลสทางชั่ว เพรเป็นอย่างนั้นความสุขความสงบมันจึงไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้เอาใจใส่เนีสอนกายใจของตัวชัวเสียอย่างไรห น, นิยอมปล่อยวยอมวางยอมละยอมทิ้งถือความชั่วเป็นของิองดีของดีเศษในติวธรรมะของพระพุทธเ จ, จา้า ค่ะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็มีธรรมะครูอาจารย์ท่านก็ไม่มีอันอื่นที่จะมาเนียมาสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีครูมีอาจารย์ที่ไหนมาสอนท่านพิจารณาตัวของท่านครูอาจารย์ที่งขาเคยสอนบอกว่ารูปประทับนามธรรมรูปก็หมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาทั่วไปถ้าหากคน ฉลาดคนมีปัญญาก็เกิดธรรมะคนโง่คนไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดธรรมะให้มีแต่จะเกิดชีเลตผับ ถ, ถมโจมตีทางจิตทางใจพอรูปจิตตาไปเห็นถ้า <c oughs> รูปจิตเราชอบเรายินดีก็เกิดราคะตัญหาอยากได้ถ้ารูปเราไม่ชอบเราไม่ยินดีก็เกิดความ โกรธความเจียด ร, รูปหนัง น, นั้นไปนี่หมายถึงเรื่องของกิเลสเราเมือพิจรารณาเป็นธรรมะท่านที่พิจรารณาธรรมะรูปไม่ว่ารูปมนุษย์รูปสัตว์รูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรทั่วไปท่านก็พิจรารนานามาสอนใจของท่านให้เกิดสาระประโยชน์ เสียงก็เหมือนกันบินก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่ใจของเราไปยึดถือชอบกว่าดีไม่ชอบก็ตำานิมันเลยไม่คงเป็นคงวาให้ใจมันเลยกัดแ่งไปตามสัญญาอารมณ์ <c oughs> ที่ตัวชอบตัวไม่ชอบาะไม่รักษาคือไม่มีธรรมะ สอนใจถ้ามีธรรมะสอนใจสิ่งนั้นนั้นมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันไปใจก็ไม่เบ่เกิดความเดือดร้อนบุนวยวยพราตาไปเห็นหูได้ยินจมูกได้กิน่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจเกี่ยวข้องกับอารมณ์แต <c oughs> าควรมีธรมมธรมะมีสติ ดีอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีการตั้งอยู่แล้วแฟรปรวนแตกสลายท่องมันไปทำนองเดียวกันหมดจะเป็นของหยาดของละเอียดมันจะอยู่อย่างนั้นแต่สติปัญญาของเราไม่ทันเรื่องของกิเลสมันจึงเป็นเหตุให้เราชอบเราหลุมหลงแตสติของเราทันต่อ เรื่องของมันแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นความจริงของมันเป็นอย่างนั้นเราไปโกรธคนนี้มีอะไรที่จะดีขึ้นเราไปชอบคนนี้มีอะไรที่จะดีขึ้น <c oughs> หน้าที่ของเขาเป็นอยู่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเรื่อยไฟไม่ฟังเสียงเราตํามนี่เราชมโลกอันนี้เรื่องอันนี้รูปอันนี้เสียงอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ มีปติขุมีปัญญานี่สอนใจของตัว <c oughs> ท่านจึงสงบท่านจึงเป็นสุขทั้าทั้งสีตามีอยู่หูมีอยู่ก็ไม่มีอะไรมาหยั่งยุให้จิตใจของท่านวันไหวมีหมายถึงผู้ที่มีใจเป็นธรรมท่านได้รับความสุขความสงบอย่างนั้นพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้น เพราะไม่ทันต่อเรื่องของกิเลสตัญหาสติปัญญาธรรมะมันอยู่ห่างจากตัวของเราอยู่ไกลาจากตัวของเราเขาใจวะธรรมะอยู่ตามตำหลักตำราเขาใจว่าว่าธรรมะอยู่กับครูกับอาจารย์ตามวัดตามว่าตามประธานที่เคารพ บ, บูชาต่างๆความจริงธรรมะมันอยู่กับทุกผูกท้ทุกน้ำทุกผู้ทุกคนแล้วแต่ผู้สนใจ จะนำมาแนสอนตัวเองถ้าคนโง่มันก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขกายใจของตัวให้สะอาดได้ให้ดีได้ถ้าคนฉลาดก็สามารถที่จะแก้ไขกายใจของตัวทั้งทงที่ไม่มีครูมีอาจารย์แนสอนอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระปจิจังคือท่านฉลาด มีปัญญาก็นำสิ่งสิ่นี้อยู่ในโลกมาพิจิตรใจนะสำหรับแก้ไขใจจิตของจิตคิดแวะต่างๆงเราไม่เป็นอย่างนั้นทั้งทั้งจิตพระพุทธเจ้าสอนดังลั่นโลกอยู่เจี่ยวหูจะ แ, แตะแต่นั้นก็ไม่้อไปถึงจิตถึงใจสัมผัสกับใจว่าอะไรดีชั่วผิดถูกทั้งทั้งจิตฟังธรรมะ กันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆอย่างน้อยก็วันละละครสําหรับญาติโยมส่วนพวกนักบวชมากกว่านั้นบางวัดบางวัดครูอาจารย์แต่งก่อสอนทุกคืนบางวัดแต่งก่นนานๆสอนทีอย่างน้อยก็สัปดาห์ละสองครั้งหรือ สัปดาละครั้งยังมีอยู่แต่จิตใจไม่ค่อยเอาทานให้เรื่องธรรมะมันจริงไหมเกาะม่จิตในจิตในใจแต่เรื่องของโลกท่านทที่เขาเหล่านั้นเลยสอนอะไรกับเราเขาพูดไปทำไปตามเรื่องจิเลปปัญหาของเขาแต่พอเจอเข้าได้ยินเขา้า มันประทับใจเขาไปเรียนต่างนาต่างจามานนียสอนอะไรเขาพูดไปตามเหลืองของเขาร้องรันทำเพลงไปตามเหลืองของเขาแต่เราก็เก็บจำได้แล้วก็นําเอามาเมื่อคิดเจนปิดเจนใจหลุ่มเหลงมืดบอดตลอดเวลาเจนธรรมะส่องไม่ถึงมันเป็นทำนองนั้น มันจริงเจิมติดเกิดตายเรื่มาถ้าหากมันสนใจธรรมะเหมือนเรื่องของโลกมันก็ข้ามโลกไปได้แล้วเพราะทุกคนเคยเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเคยตายมันเคยเกิดเคยตายเคยตายเคยเกิดมาเรื่อยๆมาภพชาติของเราจึงไม่สาวว่ามันโทษอะไรเกิดไม่รู้ว่าเกิดกับตายอะไรนั่นก่อนกันเหมือนกันกับ ไก่กับไข่ไก่มัเกิดมาจากไข่แต่ไข่มันก็เกิดมาจากไก่อีกเหมือนกั น, ม, กก น, น, ม, กนมีเกิดกับตายก็อนทำนองนั้นไม่ทราบว่าตายก่อนหรือเกิดก่อนถ้ามันตายมันก็ไมเกิดถ้ามันเกิดมันก็ไม่ตายอยู่นะัมันเลยเป็นโกงจักรสังภ า, าจักรหยุดยาว พอมันเป็นวงกลมเหมือนวงล้อองเียมันเลยยาว่ไปาเราไม่ทาลายสังวัสังาจักออกจากใจของเราพวกเราท่านก็จะเป็นไปอย่างนี้ความลุนหลงของจิตของใจเป็นตัวการสาคัญในสามารถว่าอะไร ทำให้เราเกิดและจะไปเกิดที่ไหนมืด บ, บอดตลอดไปแต่นั้นคนที่ไม่อยากจะตายากันเพราเขาจะว่าตายแล้วไม่ทราบจะไปเกิดที่ไหนเพราะใจมันมืดมันบอดแายใจมันสว่างสวยใจมันเห็นสองทางที่จะมีความสุขยิ่งกว่าชาติที่เราเป็นอยู่ คนเหล่านั้นเขาก็ไม่กลัวเกียวความตายของเขาเหมือนกันกับเราออกจากที่นี้ไปที่ใหม่แต่ที่เราจะไปนั้นมันจะดวกสบายไม่มีอันตรายอย่างอื่นอยู่สงบสกถ้าเราเห็นเราเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นการหนีจากที่ <c oughs> ไปที่ใหม่ ก็ไม่มีใครเสียดายอะไรเพราะเหตุใดเพราะที่เราอยู่มันทุกข์มันลาบากไม่มีความสุขความสบายให้ทุกสิ่งทุกอย่างลำบากอยากอยู่ท้งนั้นแต่ที่เราไปสะดวกสบายอะไรที่เราสองการขอหาได้อย่างง่ายได้มากก็ไม่มีพวก โท้ขโมยมาปนจีบของที่เรามีก็สะดวกสบายในต้องรักษาในลำบากอย่างจุคนที่คิดเห็นในพบชาติของตนว่าจะไปมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าชาติที่เป็นอยู่เขาก็ไม่โหดหูเสียใจแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้น ใส่สาววังจะไปกันที่ไหนงันก็เลยกดือ ถ, อถอดถอยกลัวตายกลัวไม่นนได้สมหวังความสมหวังมันจะมีขึ้นจะเป็นขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยตัวของตัวเองส่างใจของตัวเองให้สมหวังถ้าหากเรอสร้างความดีเอาไว้ ปาถนาะอยากจะได้ความดีสมความมุ่งหวังของตัวนั้นอย่าไปนึกไปคิดผิดหวังอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้สมหวังของตัวเพราะความชั่วไม่มีใครปรารถนาะทั้งที่คนเชื่อเขาทำอยู่เ้าก็ไม่ปรารถนาความชั่วแต่เขาก่อทำเพราะเหตุใดเพราะเขาไปในบกคิด ว่ามันผิดมันชั่ ว, ว่ามันจะให้โทษให้ทุกข์ว่าคนเป็นผู้มีตรรมหรทำเป็นของของตนไม่มีคนอื่นจะรับแทนเขาไม่ได้คิดทานองนั้นแต่าหากเขาคิดได้สนใจของเขาที่เราไปทำชั่วอย่างนี้พูดชั่วอย่างนี้ไม่มีใครที่ไหนอื่นเขาจะมารับให้กับตัวขาตัวเอง จะเป็นผู้รับชั่วรับเสียที่พูดที่ทำที่คิดไปยังเข้าใจชัดเจนเท่านี้ความชั่วก็ไม้มีใครที่จะต้าทำเพราะความชั่วที่ทำไปตัวเองเป็นผู้ได้รับผลของความชั่วเหมืนนั่นนี่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาสอนใจทั้งสองฝ่านชอบเรื่องความชั่วแต่มันก่อประสบพบเห็นกัน เพาการแต่ทำของตัวแต่ทำชั่วผลความชั่วมันก็เกิดขึ้นแต่ทำดีผลความดีมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นโลกอันนี้เป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดถ้าพิจารณาเป็นธรรมะถ้าพิจาราธรรมะเพื่อแบกตําราของธรรมะนอนเศ้าสู้พระไตรปิฎกอยู่ตลอดเวลายิ่งเตัอหามันก็ไม่ตกไมหล่น ไม่มีอะไรที่จะทําจิตทําใจเหตุผ่องใสไม่มีอะไรที่จะท ำ, ท ำ, ใใะทะทำกายทําใจเหตุเย็นเย็นสงบทง ท, งท้งที่เฝ้าสู่เข้าไตรปิดกนอนทับพระไปรี่ดกอยู่แต่เข้าใจปิฎกก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เหมือนคนไข้ที่นอนเฝ้าหยุดยา ไม่นำมารับประทานโรคของเราเกิดขึ้นยาหลายขนานที่เขาจัดเอาไว้เหนือเป็นไอรับยาอันนี้เหนือเจ็บปวดให้ทานยาอันนี้เขาบอกไว้หมดแต่คนไข้มันไม่สนใจกับยาถึงยาจะมีอพร้อม อ, อยู่ขางตัวขขงเขาแต่เขาไม่ดามารับทาน มารักษายานั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทํานองนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนสี่เมฆตั้งใจก็เพื่อปฏิบัติในตั้งใจรักษาอย่างพวกเราท่านธรรมะมันไม่เกิดประโยชน์ให้เพราะไม่สนใจทั้งที่ธรรมะมีอยู่รู้ประทำแล้วก็เห็นงามธรรม เยวิธนาความทุกข์ทุกเฉยๆมันกกมีอยู่ในแ่าตั้งๆกลางวันกลางคืนยืนเดินหนเ่นอนยน่บนักบวชหรือชาวบ้านมันมีอยู่เด็กกันถ้รูปประคั้นหรืันแหน่แต่เราไม่นำมาไ่คิดใข่ตอง มันจึงมะเกิดประโยชน์แล้วเมื่ อ, อไรแล้วเราจะต่างใจที่นี้พิจารณาแก่ไขเมื่ อ, อไรจะต่างใจเพฤ่ไปปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำหรือไหนเขาหางเขาเตาเสียก่อนไปฝังดินเสียก่อนคนแบบนั้นมันทำอะไรได้ <c oughs> เราก็เคยเห็นด้วตาของเราเคยได้ยินด้วยหูอของเรา แต่ใจของเราไม่ได้นึกไม่ได้คิดหายใจของเรานึกคิดมันก็มีค่าติมีปัญญาเกิดธรรมะขึ้นกับตัวของตัวคนตายไปนั้นทำอะไรไม่ได้ถึงจะเป็นโจรเป็นมาร น, <c oughs> นักฝนนักกี่ย่งกากขนาดไหนถ้ามันตายไปละหมด เรื่องมดแล้วไม่มีทางที่จะไปปนจีแคา์จีใครอีกได้หรือเสือบรรดุขนาดไหนถ้ามันตายไปมันกม็มีทางที่จะไปจับไปต่กคุกใครอีกแต่เสือตายมันจะมีคุณค่ากว่ามนุษย์ตายหนังมันก็ขายได้กระดูกมันก็เป็นยาสามารถนําไปขายได้มนุษย์เรา มีขายซือกันขายกันเหงื่อหนังความนุษนี้รู้สตกจะว่าอาจะอาทับยิ่งกว่าเหงื่อหนังของสัตว์พกเต่าพวกไก่พวกหมูพวกวัวพวกควายยังมคนนิยมชมชอบตายไปแล้วหนังขายได้เขาขายได้เหงื่อขายได้ จะดูขายได้แต่มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นในมีใครนิยมกันตายแล้วกลัวกันไปฝังไปเผาเถ่านั้นนี่ไม่มีคุณค่าอะไรแต่เราก็ไปดีที่ที่เจอเนี่ยมันมีคุณค่าแต่เหนื่อเวลามีโดนหายใจเป็นอยู่เถอะนั้นฟ้าแดดที่จะโดนบันดาลทำดีทำชั่วได้ความส่องสารของส่วนคนตายไป ใน ม, มีอะไรที่จะทําได้เห็นแต่จับในตาแต่ไม่ได้พิจารณาถึงใจความหลงลไหลใส่สันความอยากของใจยิ่งรุนอยากได้ตั้งแต่วันวิ่งเดินสาจนกระทั่งวันตายแสวหงหาสมบัติพักสถานบางขบางคนก็ไปตายในน้ําบางขันบางคนก็ไปตายในตา เรแสิ่งของสี่ตัวอยากได้มาบรงเหลื่อมข้องกายอยากจะให้มันสุกมันสบายอยากจะให้มันดีันดีไม่เคยเคยคิดทนาเลยว่าเหลื่อมข้องกายนี้เาไได้เชื่อฟังใครเรายินดีเหลื่อมสกับเขาแต่เขาไม่ยินดีเหลื่อมสกับเรา เรารักเขาแต่เขาไม่ดีรักเราเราหลงเขาแต่เขาไม่หลง ก, กับเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปอย่างอย่างนะเรามานัง่งหรือนี่มันก็หมดไปความแจ็บขับไล่มาทุกการทุกเวลาปูดถึงความตายหายใจออกมันก็ตายหายใจเขา้ามันก็ตายมันก็ตายมาแล้วแต่มันมีสันติคือความสืบต่อของมัน เราไม่มีสติละเอียดปัญญาเฉียบแหลมอะไรจึงไม่ทราบว่ามันร่วงไปหมดไปเหมือนกันกับเราจุดเพียนมันหมดไปถ่าไฟยังมีอยู่เมื่ อ, อไรอะเชื่อขวกมันหมดไปเรื่อยๆผลที่สุดท่าเชื่อมันน้อยเมื่อกดับเพราะไม่มีเชื่อที่จะต่อเัวของพวกเราก็เหมือนกัน มันหมดไปทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินความหมดไปของชีวิตมันหมดไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่เกิดความสลดสังเวจอะไรมีแต่เผลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันในโลกรวยไปให้เล่ามีหนังโลกหอบโลกไปได้มีไหมไรนาเรียกสวนเข่าคองเงินทอง อย่างน้องเพื่อนฝูงหอบไปได้ไหมไม่มีใครเขาหอบไปหาไปของใครก่อเป็นอย่างนั้นแต่อดีตเรื่องเมือหรือปัจจุบันมันเหมือนกันอนาคตกว่าทํานน้องเดียวไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายความพราดพาดจากของรักของชอบใจ มันมีมาแต่ยจนแอะไรแต่เราทํามไม่ได้พิจารณาห่วงเอาไว้จับจองเอาไว้ย็ดถือเอาไว้อะไรก็พ้องกูก็กูอยู่นั้นเลยเลมีอะไรเป็นอะไรให้กายถีเเก็ยังเอาไปไม่ได้ยังไปฝังไปเผาเราของนอกตัวเราจะเอาอะไรไปได้มันไม่มีทาง เขาไปได้เข้าไปหมดแล้วนี่คือเรื่องที่เราจะพิิจใรนาสอนใจของเราไม่อย่างนั้นใจมันจะเถื่อนเกินมัวเมาเกินเกินขอบเกินเฉดไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีความสงบเย็นใจให้คนทุกข์ยังมีความเย็นใจแบบคนี่ลวยคนรวยเท่ะไรความร้องใจเผาใจ ยิ่งมีมากเพราะนั้นพอจิตไปยึดไปห่วงจะมาวัดมาว่าก็กลัวเขาะจะขโมยอันนั้นกลัวเขาจะละอันนี้มันเป็นห่วงความเจียงเราทุกข์เพราะของเรามีไม่ใช่เราทุกข์เพราะเราจนเิ็นไดที่เราไม่มีเลยเกิดทุกข์เกิดโทษทุกข์เพราใจมันไปยึด ไ, ไปถือ ถ้าจิตใจไม่นยึดเหนถือที่ยึดที่เจนนะสิ่งทั้งปวงให้เห็ น, เ ป, น, รรรน เ, เป็นธรรมดามันเกิดมาแก่ตายมันเป็นธรรมดาเมื่อมัเกิดเป็นอย่างนั้นนะจิตใจก็เลยหวั่นไหวเพราะท้าเข้าใจและละถอนความยึดถือของใจออกไปไ ด, ด้พูดง่ายๆสิ่งที่เราสงวน ทำให้เราเกิดทุกข์ริงเเรารักอะไรสิ่งนั้นแหละเป็นภัยเป็นทุกข์นี่คือทางพระพุทธเจ้าสอนแต่มนุษย์เราธรรมดาที่ว่ า, าการรักกันชอบกันนั้นมีความสุขใน่มีภัยอันตรายข่ากันไม่ได้เพราะรักกันความจริงถ้าพูดถึงพื้นฐานของมันจริงจังคนรักกันนั่นแหละจะโกรธกัน แค้นกันข่ากันคนที่ในรักกันในชอบกันนั้นไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยถึงตายไปก็ไม่ได้เสียใจเพราะทำชั่วเสียอย่างไรเราก็ไม่ได้ชิดยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะไม่ได้เป็นพักผัวขวัญฟุ้งของเราเราถืออย่างนั้นสามีภรรยากัน ชอกันรักกันฆ่ากันตายในหนาหนังคืจอจมหรือออกวิทยุพื่เลยยืมีเรื่อยนี่คือความรักกันถ้าหักรักเท่าไรถ้าเกิดผิดใจหราโกรธเท่านั้นเป็นไัยเท่านั้นาาทางภาสิดทางศาสนาถ้งจริงว่าปิยโตไยเตโซโกปิยโตสยเตพยังคว <c oughs> ามโศ เกิดมาจากความรักทายทั้งหลายเกิดมาจากความรักถ้าหากจิตใจของเราแม่รักไม่ชอบในจริงเหล่นั้นเห็นจริงเหล่นั้นตามเป็นจริงแล้วม่นก็ไม่โผล่ไม่เป็นทายยกตัวอย่าง ง, ง่ายๆในเรื่อง กายของเราเนี่ยสิ่งที่เรารักเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนอะไรก็าตามถ้ามีอะไรมาตัดือมาต่อยเขา้าเราจะต้องเสียใจมีมีดท่าหรืออะไรมาถูกเขา้าเราก็จะต้องรักษาสิ่งทีเรารักแต่สิ่งที่เราไม่รักตกเรอนออกไปน้ำหมู ก, กาลาย ง่ายๆก็หมวกขูดตี่ตกออกไปมีมดหรมีสัตว์อื่อนๆมากาัดกินเขา้าเราเสียใจไหมไม่เห็นเสียใจอะไรพอเราไม่รักเราไม่สงวนเราไม่ยึดมันเป็นทำนองนั้นมันจึงไหมโกรธจรงไหมเป็นไทยอันตรายเจ็บใจนี่ถ่ะเราพี่นี้ที่เจอนาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามเป็นจริง ว่าสิ่งที่มันเกิดมามีหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ควรไปตามหน้าที่ของมันและแจกสลายไปตามหน้าที่ของมันจริงจังจิตใจของเรากไม่หวั่นไหวพอเราเข้าใจชัดในจริงเหล่า น, นั้นไในว่าโอปว่านนา้าที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราพอเราทราบแล้วเข้าใจในเรื่องของจริง นี่เราไม่เห็นตามไปกินอย่างนั้นมันเลยตื่นเต้นเลยหลงไหลเสียใจดีใจในสิ่งต่างๆอย่างนักภาวนากับํานองเดียวกันมันยึดสิ่งทีตัวรู้ตัวเห็นมันจริงเกิดความเดือดร้อนความดีใจเสียใจต่างๆพอ ปรพฤติปฏิบัติส่่งหน้าต่างตารักษากายบายจจใจของตัวกำหนดที่นิพิจนาะจิตของเราเกิดมามันไม่เคยสงบมันยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาอยู่ตลอดมาพอเรามาภาวนาต่่งหน้ากำหนดบทบริกรรมก็ดีกำหนดลมหายใจก็ดียุดเพ่ง สิ่หนึ่งสิดงใดภายในตัวของเราก็ดีจิตมันสงบลงไปปล่อยวางเรื่องต่างๆอารมณ์สัญนยาขาดตกไปหมดไม่ได้ยึดเกี่ยวกับอารมณ์สัญนยาอะไรใจเกิดความสว่างสวยความเบาความสบายไม่ได้ยึดในการเวลา อะไรเจ็บนู้นปวดนี้หนักเหนื่อยเหนื่อยหิวอะไรผู้ทำเคยเห็นเคยเป็นเกิดเป็นเห็นรู้อย่างนั้นดีอกดีใจพอทำพอถอนออกมาทำวันใหม่ไม่ได้เสียใจาจิตของเราเสื่อมมันเสียไปแล้วแต่ไนั้นาวนเรากำหนด ยิอของเราสงบอย่างนันงนนน้นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ในต็นอย่างนั้นมันเสื่อมมันหายไปหมดได้เกิดความผอใจเสียใจหวาตัวมันไม่ดีไม่รู้ไม่สงกไม่สุขเหมือนก่อนนี่มันเป็นเพราะความยึดความถือความไม่รู้ตามเป็นจริงของมัน แต่มันก็เป็นโดยการทุกคนที่เป็นอย่างนั้นเกติใดมันจริงเป็นเพราะมันเพิ่งเห็นใหม่มันตื่นเต้นแต่สิ่งที่มันชอบมันก็ติดแต่สิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เกียบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนี่จิตที่มันเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นรักษาให้มัน สงบรักษาให้มันเห็นตามเป็นจริงไม่ได้เพราะขาสัญญาถ้าผู้ที่เคยเห็นเคยเป็นสงบแบบนี้มันก็เสื่อมได้เวลามันเสื่อมเวลามันเจริญมันก็เจริญได้มันเกิดได้มันดับได้จริงที่เกิดที่ดับนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรในใช่ว่ามันถึงมีแต่ตัวของเราส่ ถห็นตีรู้เถอะนะคนอื่นที่ท่านสึกท่านอบรมมากวเป็นกว่เห็นเหมือนกันกวเป็นกว่าเห็นเหมือนกันเมื่อเวลามันเป็นมันเห็นมันรู้ใครแดบหามหอบขี้วมะให้เวลามันไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นใครขโมยของเราไปมันจะได้ที่เจนาในตัวของตัวอย่างจริงจังจน สราบชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปกวลนและแตกสลายเหมือนกันหมดไม่ว่ารูปไม่ว่านามมันเป็นอยู่อย่างนี้จากความเห็น